แปดสิบแปดเยนบัตอดีตการของกริยาช่วยสองวินชวลินพองกี้ลสอนดายรันดะคอลัมยรันด์ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา ยินมั่งกันบ่มมายุดนวิเลยอดวิริมบ์วิเลยลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอลยินมั่งกันคอลพันธุนวิเลยอดวิ s ิมบ์วิเลยสามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากลุกกับดิฉันยินมันนิววิยินนุดนชั้ดุรัง a d กมวิเลยอดวิริมบ์วิเลกลูกของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น ย ன ் குழந்தைகள் நடை ப ய ிพ் ச ி செய்ய வ ிวு ம ் ப வ ி ல ் ல ைพวกเขาไม่อยากจัดห้องอ வ ர ุ க ள ் அறையை ச ு த กียสุด ய ัมสัยยาวิรุ ல บพวกเขาไม่อยากไปนอน அ வ ர ் க ์ு க ் க ுกุตตุงก์ปโวบัตตะกุวิร ப ปปะบ ல ลเ่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานขอ் க ว ச ாเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทาน க வ ி ல ்าைเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน இனிப்பு ச ா ப ் ப อนุ ன ு ம த ி இருக்கவில்லை ดิไันได้รับอนุญาตให้ขอพร எனக்கு ก ன ் வ ி ர ร ப ் ப த ் த ை தெரிவிக்க அனுமதி கிடைத்தது ดีฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด எனக்கு எனக்காக ஓர் உ รை வாங்க அனுமதி கிடைத்தது ิตา ด, ด, ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบชโโ็อกโกแลต எனக்கு ஒரு ็ช็อกโกแลตเอดรุตุโคลล ள าอนุมัตிกรดิ த าด คุณสูบบุหรีบนเครื่องบินได้หรืออุณไน้บินมาติลพุกัปุ่ดิกกะอนุมั ต, ติทารกละคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือคุณไน้มรตว์มันเกลเบียร์ปุ่ดิกกะอนุมั ต, ติทารกละคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือคุณไน้โฮเทลอุลเลน่าเย่คุณดซึลล์อนุมั ต, ติทารกละ ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาวิดมุระยลคุระนเดย์ขลตอมัตมะมอฟะบดีเย่ตั้งก์อนุมัติครดตัดพวกเขาเล่นที่สนามได้นานอาวะกรุ๊กเวกุเนยร์มมุทรติลบดีกอร์ดาอนุมัติครดตัดพวกเขาได้รับอนุ ญ, ญาตให้นอนดึกได้ அவர்களுக்கு வெகுநேரம் விழித்துக் கொண்டிருக்க அனுமதி கிடைத்தது.